วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันพระเป็นวันมงคลคำว่ามงคลนี้แปลว่าความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ วันนี้ที่เรียกว่าเป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทําที่เป็นมงคลนั่นเองถ้าญาติโยมอยากจะทราบว่าการกระทําที่เป็นมงคลนี้มีอะไรบ้างก็ลองค้นหาคําว่ามงคลสามสิบแปดในเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่านก็ได้ ก็จะมีมงคลทั้งสามสิบแปดนี้ให้ท่านได้อ่านได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจกันว่ามงคลทั้งสามสิบแปดนี้เปรียบเหมือนเป็นบันไดที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน เปรียบเหมือนเป็นแผนที่ของชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญทางด้านจิตใจที่ควรที่จะสนใจศึกษาค้นคว้าหาดูวเมื่อรู้ว่ามีอะไรบ้างก็จงนำเอาไปปฏิบัติในแต่ละขัน้นขั้นแรกนี้ ได้ทรงแสดงไว้สามสามขั้นด้วยกันกลุ่มแรกคือหนึ่งการครบบัณฑิตคือคนฉลาการไม่คบคนโง่หรือคนผ่านสามการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง นี่คือขั้นหนึ่งสองสามของบันได3ามสิขั้นที่จะนำพาจิตใจของท่านให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความเสื่อมน้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยเพราะเป็นบันไดที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนั่นเองทรงได้ดำเนินตามมงคลทั้งสามสิบแปดนี้มาสิ่งใดที่พระพุทธเจ้านำมาทรงสั่งสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเราได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นเราไม่เอาสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติมาสอนผู้อื่นเราเอาแต่สิ่งที่เราได้ปฏิบัติแล้วมาสอนให้แก่ผู้อื่นเท่านั้น พราะสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราได้เห็นผลแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้จิตใจสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองดังนั้นวันพรานี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันที่เราจะสามารถปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าการปฏิบัินั้นเราจำเป็นจะต้องมีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ mm hmm. เช่นวันนี้เป็นวันศุกร์ไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของคนยุคในปัจจุบันนี้คนยุคปัจจุบันนี้จะหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กัน แต่ในสมัยโบราณนี้จะหยุดตามวันพระกันจะถือวันพระเป็นวันหยุดกันและการกำหนดวันพระนี้ก็ใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือการโคจรของดวงจันทร์ซึ่ง ก็จะมีการเคลื่อนไปไม่ตรงกันทุกอาทิตย์วันพระนี้เขาจะแบ่งไว้สี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนครั้งแรกก็จะให้ตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเช่นวันนี้ก็ตรงกับขึ้นแปดค่ำแล้วก็ไปแลมสิบห้าค่ำหรือแลมสิบสี่ค่ำ บางเดือนนี้จะแรม14ค่าเนื่องจากพระจันทร์บางเดือนนี้จะมืดในวันที่14ค่าแทนที่จะมืดในวันที่15ค่ำจะดับเต็นที่บางเดือนก็จะเป็น14ค่าวันแรมนี้บางทีก็แรม14ค่ำแรม15ค่าแล้วก็ไปแล้วก็ไปขึ้นเดือนใหม่ ก็ขึ้นแปดค่ำแล้วก็ขึ้นสิบห้าคำวันขึ้นสิบห้าคำนี้จะเป็นขึ้นสิบห้าคำเป็นวันเพน็ญวันที่พระจันทร์เต็มดวงเราเรานับวันพระตามสถานภาพของดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นเผือแสงสว่างดวงจันทร์เริ่มเต็มเริ่มมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ก็ขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ า, าพอถึงแปดค่าก็เป็นวันพระหนึ่งวันแล้วอีกเจ็ดวันต่อมาก็เป็นวันขึ้นสิบห้าคำก็เป็นวันพระอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพระจานทร์ก็จะเริ่มเริ่มดับเริ่มดับทีละน้อยเรียกวัวนแรงพอขึ้นสิบห้าคแล้วก็จะนับแรมหนึง่งค่ำสองค่ำ ไปถึงแรมามแปดค่ำก็เป็นวันพระอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นก็ไปแรมามสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำพระจันทร์ก็จะดับเต็มที่แล้วก็เริ่มนับใหม่ขึ้นหนึ่งค่ำไปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมัยก่อนนับวันพระแบบนี้กันขึ้นเจ ข, ขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรามแปดค่ำ แรมสิบห้าคำหรือแรมสิบสี่ค่ำถือเป็นวันหยุดทำงานเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ว่างนี้มาทำงานทางด้านจิตใจกันนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่มีการกำหนดนี้พุทธศาสนิกชนก็จะ ไม่รู้ว่าวันไหนควรจะมาทํางานทําหน้าที่ของทางด้านจิตใจกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้มีความสับสนกันเพราะว่าวันที่จะให้มาทํางานทางด้านจิตใจนี้มักจะไม่ตรงกับวันหยุดทํางานเช่นวันนี้ก็ต้องไปทํางานกัน คนที่ไปทำงานก็ไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ทางด้านจิตใจได้แล้วพอถึงวันพนุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เป็นวันพระทางาศาสนาก็ไม่ได้จัดกิจกรรมให้มีการมาปฏิบัติทางด้านจิตใจกันญาติโยมก็เลยไม่ได้เอาเวลาว่างมาทำกิจการทางด้านจิตใจ ให้ได้เต็มที่จึงเป็นการเสียวการอันอันเลิศคือเวลาว่างแทนที่จะเอามาสร้างความสุขความเจริญทางด้านจิตใจก็เอาเวลาไปสร้างความสุขความเจริญทางกิเลสตัณหาซึ่งเป็นข้าสุขศัตรูของจิตใจเอาไปใช้สร้าง ให้กิเลสตัณหามีกําลังมากขึ้นเพื่อที่จะได้มาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างภพสร้างชาติให้กับจิตใจให้มากขึ้นนั่นเองภพชาติของพวกเราที่เวียนว่ายการตายเกิดกันนี้ไม่ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากหาความสุขทางลาบยศสารเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เท่านั้นไม่ใช่ตัวไหนเลยที่มาทำให้เราต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันวันพระเนี่ยพระพุทธเ้าจึงเห็นว่าต้องเอามาสกัดการเจริญเติบโตของกิเลสตัณหาด้วยให้ด้วยการให้มากระทำงานที่เป็นมงคลงานที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อที่จะได้หลุดออกจากอำนาจของกิเลสตัณหาที่คอยดึงให้จิตใจนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นผู้ที่ฉลาดควรที่จะกำหนดวันพระให้กับตเนเองอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันใน ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมีเวลาว่างมากไปกว่านี้อย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ควรที่จะหาเวลามาทำกิจกรรมทางด้านจิตใจกันบ้างอย่าเอาเวลาทั้งหมดไปให้กับกิเลสตัณหาเลยเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว เพราะการกระทําตามความอยากต่างๆนั้นในเบื้องต้นจะรู้สึกว่าดีได้ดูได้ฟังได้กินได้เที่ยวได้ดื่มได้รับประทานได้เห็นหนู่นเห็นนี่ได้ฟังนั่นฟังนี่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นความสุขแต่ไม่รู้หรอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็คื อ, อยาเสพติดดีๆนี่เอง ราบยศสรรเสริ น, สะะสะนี่ก็เป็นยาเสพติดเสรษแล้วมันติดจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นถึงจะเห็นฤทธิ์ของยาเสพติดว่าเป็นอย่างไรจะส้างความหงุดหงิดสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจทั้งั้งที่ร่างกายก็เป็นปกติเองแต่คนที่เสพ ย, ยาเสพติดนี่ใจนี่ดิ้นรนทุรนทุราย เอลาไม่มียาเศษแล้วจะทำให้ต้องไปทำการกระทาที่เสียหายต่อผู้ถ้าไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปขมโมยเงินมาซื้อไปป้นไปจี้ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วถ้าเกิดมีการขัดขวางมีการต่อสู้กันก็จะมีการท่ากันได้ มีการทำร้ายกันอันนี้ก็เหมือนกันลาบยศสรรเสริญสุขที่ที่หากันนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนี่แหละหาเงินกันหาลาบก็คือหาเงิ น, นหาเท่าไหร่แล้วมันพอไหมคนได้ล้านหนึ่งก็ยังไม่พออยากจะได้สิบล้านคนได้สิบล้านก็ไม่พออยากจะได้ร้อยล้าน อย่างนี้คนได้แสนล้านก็ยังไม่พอทั้งๆ ท, ท, ที่ใช้ไปอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมดถ้ามาใช้กับสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพคือปัจจัยสี่แต่ความโลภความอยากนี่มันมันทำให้ติดเหมือนยาเสพติดเวลาไม่ได้หามาเพิ่มแล้วรู้สึกหดเย็ดรู้สึกไม่มีความสุข ทั้งทั้งที่มีต้องสิบล้านแต่มันอยู่แต่แค่สิบล้านอยู่เรื่อยๆสักสักจะเบื่อมันต้องขยับขึ้นสักหน่อยแต่ยังมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีความมีความมีความสุขนแต่พอขึ้นไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกันขึ้นไปขั้นหนึ่งอยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็อไม่พออีกแล้วต้องดิ้นอีกแล้ว แล้วก็เหมือนกันบางทีหาโดยวิธีสุดจริญไม่ได้ถ้ามีช่องให้หาโดยวิธีทุจริตคอร์รัปชันก็ทำกันเพราะมันมันทุกข์เหมือนกับคนเสพยาเสพติดเสพเงินเป็นล้านๆอยากได้เงินเพิ่มนี่มันก็มันก็ทุกข์เหมือนคนติดยาเสพติดพะมันไม่ได้เสพพอไม่ได้เงินเพิ่มแล้วมันรู้สึกหนดเก็ดไม่สบายใจไม่มีความสุขใจ หรือถ้ามันสูญเสียมันยิ่งทาให้ถ้ามันลดลงมามันยิ่งทาให้ทุกข์ใหญ่เคยมีสิบล้านเหลือล้านหนึ่งนี่โอ้โหรู้สึกทุกข์ขึ้นมานทันทีคนสองคนนี่มีเงินล้านเท่ากันเนี่ยคนหนึ่งมีความสุขอีกคนหนึ่งมีความทุกข์เพราะคนที่ทุกข์ก็คือคนที่มีสิบล้านแล้วเสียไปเหลือแค่ล้านเดียวส่วนคนที่มี ร้าเดียวแล้วมีความสุขนี้ก็เพราะว่าเคยมีแค่แสนเดียวแล้ววันดีคืนดีก็ได้เพิ่มมาเป็นหนึ่งล้านโอวันนั้นมีความสุขมากคนที่ได้มีหนึ่งล้านที่เพที่ได้จากแสนมาเป็นล้านนี่มีความสุขแต่คนที่ลดลงจากสิบล้านมาเหลือล้านหนึ่งนี้มีความทุกข์ทั้งทั้งที่สองคนนี้มีเงินเท่ากันแต่ทําไมคนหนึ่งสุขทําไมคนหนึ่งทุก เพราะกนหนึ่งได้ได้ตามความอยากของกิเลสนั่นเองก็คือจากแสนมาได้เป็นหนึ่งล้านโอ้มีความสุขแต่คนที่ทุกข์ก็เพราะว่าสูญเสียไปเกล้านเหลืออยู่ล้านเดียวเนี่ยนิสดังให้เห็นถึงความทุกข์ของลาบยศสรรเสริญสุขว่ามันเวลาได้มันมีความสุขแต่เวลามันเสื่อม มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาขาดเวลาลดเวลาหายไปเวลาไม่มีเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้มากกับจิตใจทั้งๆ ท, ที่บางทีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนเช่นคนที่เงินเหลือล้านหนึ่งก็ยังอยู่สุขอยู่สบายอยู่บ้านก็ยังมีอยู่ทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเงินนี่เหลือแค่ร้านเดียวเท่านั้นงใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว ไอคนที่ได้ล้านนึ่งเดี๋ยวมันจากสายมาได้ล้านมันก็สุขเดี๋ยวเดียวมันเดี๋ยวสุขไปสักพักเห็นคนมีสิบล้านก็อยากจะมีเหมือนเขาขึ้นไปก็เด่นอยนะ่างเงี้ยเพราะไม่มีความสุขแล้วความสุขที่เคยได้จากหนึ่งล้านนี่มันเป็นความสุขเชื่อประเดียวประดามันไม่ได้ทําให้ใจอิม่มใจพอเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เกิดจากความอยากและความอยากนี่มันไม่หมดจาก การที่ได้สิ่งที่เราอยากได้มันกลับสร้างความอยากไม่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างโบราณท่านมีคาพูดไว้ว่าได้ครึบแล้วก็อยากได้สอบได้สอบแล้วก็อยากจะได้วาอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่แหละคือการที่เราเอาเวลามา สวางหาลาบยศเสรเสริญ ส, สุขตามความอยากของกิเลสตัณหามันก็จะพาให้เราไปเจอความทุกข์กันเราไม่สงสัยเลยว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านของประเทศไทยนียจะมีความทุกข์หรือไม่มีเราคิดว่าเขามีมากกว่าความทุกข์ของยามที่เฝ้าบริษัทย์เเควซ ยามนี่บางทีมันถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้านกินข้าวเหนื่อยหัวนอนหลับแล้วไม่มีเรื่องปวดหัวให้คิดแต่เจ้าของบริษัทนี่กำลังกังวลแล้วสิว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันลดน้ำมันขึ้นค่าใช้จ่าย<ม>เขาเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นปวดหัวจะทำยังไง ด, คดไงไีคิดไปวิ่งไปคิดไปแล้วบางทีก็คิดไปในทางที่ไม่ดีเพื่อสกัด การสูญเสียของเงินทองหรือรายได้ที่ตนเองควรจะได้อ่าจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกศีลธรรมบ้างก็ได้อันนี้เป็นการหาความทุกข์กันพระเจ้าทรงเห็นโทษของการหาลาบยศสารเสริญุขกันจึงพยายามดึงชาวพุทธเราพุทธบอยสัตว์สีนี้ ให้ออกจากการหาลามยศสารเสริญสุขกันให้หาเพียงแต่เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายเพราะอันนี้เป็นความจําเป็นขาดไม่ได้ร่างกายขาดปัจจัยสี่ก็จะต้องเดือดร้อนและถึงแก่ความตายได้ก็อนุญาตให้ทํางานได้แต่ควรจะมีวันหยุดหยุด เพราะว่าทำมากเกินไปหามามากเกินความจาเป็นส่วนเกินนี้มักจะเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาไปบารุงกิเลสตัณหาให้มาสร้างความทุกข์ให้แกบใจเพิ่มมากขึ้นให้มาสร้างภพสร้างชาติให้แก่จิตใจเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองความจริงแล้วกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องคอยกำจัดคอยตัดคอยลดคอยละ วิธีหนึ่งที่การตัดลดละก็คือการไม่ไปทำมันสักวันหนึ่งเราทำมาหกวันห้าวันแล้วอีกสองวันวันอีกสองวันเสาร์อาทิตย์นี้เราอย่าไปทำเลยนี่ทำงานห้าวันก็ทำเพื่อกิเลสแล้วพอหยุดทำงานสองวันก็ไปทำเพื่อกิเลสไปเที่ยวกันอไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันอีกมันก็มีแต่ทำเพื่อกิเลสดยไม่รู้สึกตัว ทำเพื่อสร้างพบสร้างชาติอย่างไม่รู้จากจบสิ้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยคิดว่ากําลังหาความสุขกันกําลังมีความสุขกันเหมือนกับพวกเสพยาเสพติดเนี่ยเวลามีเสพโอ้สนุกสนานเฮฮากันแต่ถึงแม้จะมีความสามารถที่จะเสพได้เพราะมีเงินเป็นกรอบเป็นกรรมเสพเท่าไหร่ก็ยัง ไม่หดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นม่เพราะยิ่งเสพมานยิ่งต้องการเสพมากขึ้นเสพวันนี้เท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เสพเท่านี้ไม่สนุกแล้วไม่พอแล้วต้องเสพสองเท่าเพิ่มขึ้นไปแล้วพอเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ร่างกายมันก็รับไม่ไหวมีข่าวๆอยู่เรื่อยคนในวงการเสพยาคนที่มีทรัพย์คนร่ำคนรวยตายเพราะการเสพยาคือ เพราะว่ามันห้ามจิตใจไม่ไหวความอยากนี้มันจะทวีคูณไปเรื่อยๆตอนต้นก็อยากจะเสพหนึ่งเท่าพอวันต่อมาก็ต้องสองเท่าต่อมาก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วร่างกายนี้มันมีความสามารถที่จะรับพิษของยาได้ในระดับหนึ่งนั่นเองพอมันมากไปกว่านั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นมานะก็คือความตายนั่นเองทั้งๆ ท, ที่เป็นคนที่มี ความร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติแต่กลับต้องมาตายเพราะอำนาจของการเสพยาเกินขนาดนั่นเอง น, นี่คือเรื่องของการที่เราทำงานหาเงินหาทองกันแล้วก็มาใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพั์ในรูปแบบต่างๆไม่ช้าก็เร็วมันก็จะดึงให้เราไปเสพยาเสพติดกั น, กน พอรูปเสียงกินรดแบบธรรมดาธรรมดาพอเสรไปซักระยะหนึ่งมันก็เบื่อดูหนังฟังเพลงไปแล้วสักพักมันก็เบื่อหนึ่งสุราไปแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวต้องหาสารเสพติดที่มีฤทธแรงกว่าหากัญชาหายาฝิ่นหายาบ้ายาอะไรต่างๆมาเสพกันอันนี้แหละเอายาพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้สึกตัว แล้วถ้าไม่รู้จักหัางห้ามจิตใจเดี๋ยวก็ตายหรือไม่เช่นนั้นก็เสียสติไปเสพยาพวกนี้มากๆทำให้จิตร้อนไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้แล้วก็ไปสร้างเหตุร้ายแรงให้แก่ผู้อื่นมีข่าวอยู่เรื่อยๆพ่อแม่บางทีก็ถูกลูกฆ่าเพราะเมายาบ้ายาอะไรต่างๆ คนใกล้ชิดเนี่ยจะเดือดร้อนคนใกล้ตัวจะเดือดร้อนที่สุดนี่โทษของการที่เราแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ากันถ้าเรายังจาเป็นที่จะต้องหาเราจะต้องมีกรอบบังคับมันให้มันหาแต่เฉพาะในสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเจ่นหาความสุขจากการเลี้ยงดูร่างกาย ก็อยากจะรับประทานอาหารอะไรกินอะไรดื่มอะไรที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายก็ทำไปก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะหาความสุขทางด้านจิตใจได้ก็แต่อย่าไปหากับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจต่อร่างกายของตนแล้วก็ต้องมาเริ่มหยุดการเสพลูกเสียงกลิ่นรดหยุดการหาราบยศสรรเสริญกัน อาทิตย์เลีอยงน้อยก็วันหนึ่งเช่นวันนี้วันพระสาหรบับท่านที่ไม่ต้องไปทำงานก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญทางด้านาศาสนาคนมีว่าคนมีบุญมีโอกาสที่จะได้มาทำความมงคลให้แก่จิตใจด้วยการมาปฏิบัติสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกก็คือ ต้องเข้าหาบัณฑิตเข้าหาคนที่ฉลาดคนที่รู้เรื่องของการสร้างความสุขความเจริญให้แก่ จ, จ, จิตใจนั่นเองและไม่มีที่ไหนที่จะดีเท่ากับคนที่คนที่จะรู้เรื่องการเจริญ จ, จ, จิตใจนี้ดีเท่ากับคนในศาสนานั่นเองคนในศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องเข้าหา เข้าหาบัณฑิตเข้ามาวัดกันเพราะที่วัดนี้ก็คือที่อยู่ของบัณฑิตถ้าจะไปหาตามบาตตามผับนี้จะไม่เจอรับประกันได้ไม่มีบัณฑิตคนไหนจะไปนั่งเทศนั่งสอนคนที่อยู่ในบาในผับกันยังต้องมาที่วัดกันเป็นการเข้าหาบัณฑิตเรียกว่าคบบัณฑิตแล้วก็เป็นการไม่คบคนพาลคนง่อในพร้อมในขณะเดียวกัน เพราะคนพาลคนเง้คนโง่งก็คือคนที่ชอบเสพเสพยาเสพติดเสพอบายยมุขทั้งหลายนั่นเองถ้าอยากจะคบคนพวกนี้ก็ต้องไปตามบาตามผับก็จะได้พบได้เจอกันแน่นอนรับประกันได้พวกนี้จะชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆดีไมด่ดีจะได้แนะนำยาแปลกๆใหม่ๆยาวิเศษเสพแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสิบชั้นเก้า ไม่รู้หรอกว่ากำลังจะไปลงในะโลกชั้นสบชั้น9ก้า่คิดว่าเป็นการเสพเพื่อขึ้นสวรรค์กันงานนี้คือการไม่คบคน่านคนงอ้อคือคนที่ไม่รู้จักโทษของยาเสพติดไม่รู้โทษของกิเลสตัณหาให้คบกับบัณฑิตคนที่รู้โทษแล้วก็รู้คุณของการไม่เสพไม่ทำตามกิเลสตัณหา ว่าเป็นการกระทาที่จะพาให้จิตใจนั้นขึ้นสูงได้ต้องไม่คบกับคนพาลให้เขาหาบัณฑิตเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างมงคลสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตก็มาที่ข้อสามที่ท่านบอกว่าการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตอันดับแรกก็คือการบูชา บุคคลที่สมควรแก่การบูชาคือคนที่มีพระคุณกับเราในเบื้องตน้นไม่มีใครที่เราควรจะบูชามากยิ่งกว่าคนที่มีพระคุณกับเราคนที่มีพระคุณกับเราที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือบิดามารดาของเรานั่นเองถ้าเราไม่มีบิดามารดาให้กําเนิดเราไม่มีบิดามารดาเลี้ยงดูเรานี้เราจะโตขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน แบบที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เลยเังนั้นพระคุณของบิดามารดานี่จึงล้นฟ้าพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าถึงแม้จะยกจะดูแลบิดามารดาอย่างเต็มกำลังแบกท่านไว้บนบาบนไหลแล้วก็ให้ท่านอุจจะลระปัสสาวะใส่ตัวเราเลี้ยงไปแบบนี้จนวันตาย พกุลของบิดามารดาก็ใช้ไม่หมดถ้าจะใช้ให้หมดได้ก็ต้องทําให้ท่านเป็นผู้ที่หลุดออกจา ก, กบุบายให้ได้ออการที่จะหลุดออกจากบุบายได้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคื อ, อต้องเป็นขั้นพระโสดาบันและการที่ตนจะสอนผู้อื่นให้เป็นพระโสดาบันได้ตนเองก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อน ถ้าตนเองไม่เป็นพระโสดาบันจะไม่รู้วิธีที่จะทําให้ตนเองเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรเมื่อไม่รู้วิธีไปสอนให้ผู้อื่นเป็นพระโสดาบันก็สอนไม่ได้สอนแล้วกถ็ถ้าสอนก็สอนไม่ถูกแทนที่จะเป็นพระโสดาบันอาจจะเป็นพระอะไรก็ไม่รู้กยายดังนั้นถ้าอยากจะโทษแทนบุญคุณให้ถึงขั้นสูงสุดให้หมดบุญบมดคุณกัน ก็ต้องตัวเองก็ต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อนและการบูชาที่ถูกตั้งนี้คือมีสองการสองวิธีด้วยกันการบูชาในพระพุทธศาสนาที่ถูกตั้งคือสองวิธีเรียกว่าอามิสสะบูชา บ, บูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสักการะต่างๆ แล้วข้อสองคือปฏิบัติบูบชาบูชาด้วยการกระทําเช่นถ้าอยากจะบูชาพ่อแม่ด้วยการกระทําก็เลี้ยงดูพ่อแม่รับใช้พ่อแม่พ่อแม่ขาดเหนืออะไรพ่อแม่ต้องการอะไรหามาให้พ่อให้แม่พ่อแม่ต้องการให้ทําอะไรถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ทําไปแล้วก็ เป็นการบูชาที่ที่แท้จริงการบูชาสองอย่างอามิตสบูชานี้ถ้าเรียกว่าเป็นการบูชาส่วนย่อยการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นเวลาเราไปวัดเราก็บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ทูบเทียนอย่างนี้เป็นต้นสแสดงความเคารพแสดงว่าเรามีความเคารพเรื่อมใสมีความสำนึกในพระคุณของ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือมีความสำนึกในพระพุนของบิดามารดาเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็ซื้อดอกไม้ไปให้แมกหรือเอาของเป็นเครื่องสักการะแทนก็ได้ซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากอันนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาแต่การปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการบูชาที่แท้จริง เป็นการบูชาที่จะยลยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นด้วยการกระทาที่พ่อแม่สั่งสอนเราให้กระทาเช่นพ่อแม่สั่งสอนให้เราเป็นคนดีให้เราเคารพกฎหมายให้เรามีศีลหา้าเราก็ต้องพยายามทำให้ได้พ่อแม่บอกให้ขยันเรียนหนังสือเรียนให้จบเราทาตามที่พ่อแม่ปรารถนาอันนี้แหละเป็น การบูชาเพราะจะทําให้พ่อแม่มีความสุขการบูพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากเราต้องการให้เห็นเราว่าเราปลอดภัยสามารถทึงตนเองได้เลี้ยงดูตนเองได้พ่อแม่ก็นอนตาหลับอยู่ก็มีความสุขลูกครั้งเห็นลูกก็มีความสุขเพราะลูกมีความสุขเพราะลูกทําตนให้เป็นคนดีนั่นเอง อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาทางโลกในทางธรรมก็มีปฏบิบัติบูชาเช่นเดียวกันมีอภิสบูชาเช่นเดียวกันเช่นเวลาเราถวายดอกไม้ทูบเทียนให้กับพระจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีเลยเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีอันนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพแสดงความนับถือแสดงความกตัญญูกตเวทีก็ได้ทำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้ที่นำมาประชายให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับอันนี้เป็นอามิสบูชาซึ่งได้ผลบ้างแต่ไม่มากไ ม, ไ, มไม่ได้เท่ากับการปฏิบัติบูชาถ้าได้ปฏิบัติบูชาแล้ว จะได้ผลเต็มร้อยถ้ามีการปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงสุดการที่เราจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาก็ด้วยการศึกษามงคลสามสิบปดข้อนี้ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติทุกข้อให้ได้ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นถึงขั้นสูงสุด คือขั้นพรนิพพานจิตใจจะมีความสุขเต็มเปี่ยมคือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขถังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดปาลมังคือสูงสุดมากที่สุดใหญ่ที่สุดบรมสุขอันนี้เกิดจากการที่เรา ต้องเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติมงคลสามสิบแปดว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็นำอาไปปฏิบัติกั น, นก็นจะได้การปฏิบัติบูชานี่คือที่มาของการทำไมจะต้องมีการปฏิบัติบูชาทำไมต้องเข้าหาบัณฑิตทำไมต้องเลือกคบกับคนง่อ คนที่ชวนเราไปเที่ยวตามบาตามผับชวนเราไปเสพยาเสพติดเสพสุรายาเมาเสพอบายามุกทั้งหลายอันนี้นหละเราถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสร้างความเสื่อมเสียให้แก่จิตใจอของตัวเองอย่าไปคบกับเขาเพราะถ้าคบกับเขาแล้วเขาก็จะชวนเราไปทางที่เขาไปนั่นเอง เขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเที่ยวบาร์เที่ยวผับเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับกันเขาชอบอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเสพสุรายาเมาเสพยาเสพติดเขาก็จะชวนเราเสพกันแล้วถ้าเราไม่เสพ เราเราก็ถ้าเราอยากจะคบกับเขาถ้าเราเกรงใจเขาเราก็ต้องเสกถ้าไม่เสกเขาก็หาว่าไม่รักกันจริงบ้างฉังนั้นเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเราเลือกคบคนเราอย่าไปดูแต่ผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้จากเขาเช่นคบกับเขาแล้วอาจจะได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจกับเขาหรืออะไรก็ต่างทาง ลาบยศสรรเสริญสุขอย่าไปเล็งผลประโยชน์ทางลาบยศสารเสริญสุขให้เล็งผลประโยชน์ทางจิตใจว่าจะพาให้เราไปอบายหรือพาให้เราไปสวรรค์พาให้เราไปเจอกับความทุกข์เจอกับปัญหาต่างๆหรือพาให้เราไปเจอกับความสุขเราต้องรู้จักพิจารณาการครบคนอย่าไป ขั้นต้นเราต้องรู้ว่าผลประโยชน์ที่เราต้องการจากเขานี้คืออะไรถ้าเราหวังผลประโยชน์ทางลาบยศเสรสุขนี้เราอาจจะต้องทำในสิ่งที่อาจจะเป็นโทษแก่จิตใจของเราก็ได้เช่นเราอยากจะทำงานเขาบางทีเขาก็อยากจะมีเพื่อนไปกินเหล้ามีเพื่อนไปเที่ยวเขาก็ชวนเราไป แล้วเราไม่ไปเขาก็ไม่พอใจเขาก็จะไม่อยากร่วมงานกับเราทําธุรกิจกับเราก็ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะเอาอะไรเราจะเอาความเจริญทางด้านธุรกิจหรือเราจะเอาความเจริญทางด้านจิตใจเราต้องรู้จักเลือกไม่มีอะไรจะสําคัญเท่ากับจิตใจไม่มีความเจริญทางด้านไหนจะมีความสําคัญเท่ากับการเจริญทางด้านจิตใจ เพราะว่าจิตใจนี้เป็นของไม่ตาเป็นของที่ไม่มีจบไม่มีสิน้นแต่ร่างกายนี้มันมีวันจบมีวันสิน้นคามเจริญทางร่างกายทางราบยศเสริญสุขนี้มันมีวันสิ้นสุดและบางทีมันสิ้นสุดก่อนวันตายเสียด้วยซ้ําไปก็มีได้มาเจริญทําธุรกิจเจริญไปปีสองปีอาจจะอาจจะล่มจมขึ้นมาก็ได้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกของความไม่แน่นอนในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นเราเวลาคบคนนี้ขอให้เราเล็งไปที่ผลประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราอยากจะเล็เราอยากจะได้มงคลแก่ชีวิตอยากจะได้ความสุขความจเจริญทางด้านจิตใจเราก็ต้องคบกับคนที่จะพาให้เรา ได้พบกับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจก็คือคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ใครได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้านี้รับประกันได้ว่าจะได้รับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจอย่างแน่นอนไม่มีการขัดทุนทางด้านจิตใจและไม่มีลงต่ำกว่าจากการเป็นมนุษย์ ถ้าได้ครบกับบัณฑิตทางพุทธศาสนาจะไม่ไปทำการกระทําที่จะดึงให้จิตใจลงต่ํานั่นเองเพราะคําสอนทางด้านศาสนานี้สอนให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงการกระทําบาปและอบายมุขทั้งปวงเพราะการกระทําบาปกับการเสพอบายมุขนี่แหละเป็นเหตุที่จะดึงให้ตกต่ําให้จิตใจนั้นต่ําลงจากการเป็นมนุษย์ ให้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์นรกไปถ้าไม่อยากจะให้จิตใจตกต่ำเนี่ยต้องไม่กระทาบาปทั้งปวงไม่เสพอบายามุขและการจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต้องอยู่กับการที่ได้คบกับบัณฑิตนั่นเองได้คบกับพระพุทธเจ้าก็ดีถ้ามีโอกาสแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็คบตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนเช่นมงคลสามสนี้เอาแค่นี้ข้อเดียวนี้ก่อนเอาบทนี้บทเดียวก่อนให้ได้คือมงคลสามสนี้พอที่จะนาพาจิตใจของเราให้อยู่ห่างออกจากอบายมุขและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในปาฏิยปิดกนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองได้มีการจดจำและมีการถ่ายทอดมาเป็นยุคยุค <c oughs> และมีการตรวจสอบจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยาที่ถ้าใครปฏิบัติตามได้แล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนจะพบกับมงคลที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตได้อย่างแน่นอนถ้า ศึกษาจากพระไตรปิฎกถ้าไม่เช่นนั้นถ้าได้พบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตเหมือนกันเป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนแทนพระพุทธเจ้าได้ในตาในแต่ละขั้นของความรู้พระโสดาบันก็สอนได้ในระดับของพระโสดาบานัน ภาษาคิดาคาก็สอนได้ในระดับของภาษาคิดาคาพผ้านาคาก็สอนได้ในระดับของพผ้านาคาผ้าละหันก็สอนได้ในระดับของผ้าละหันแต่ทั้งหมดนี้จะสอนให้จิตสูงขึ้นอย่างแน่นอนและจะจะสูงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน น, อ น, นี่คือบัณฑิตในพระพุทธศาสนา คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ชาวพุทธเรายึดเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นสาณะสาณะแปลว่าที่พึ่งทางจิตใจ <c oughs> ที่พึ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่พึ่งแบบใช้ป้องกันภัยทางร่างกายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมากระทบกับทางร่างกายได้หรือทางลาบยศสารเสริญสุขได้ ไม่ใช่ว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาเป็นอ่าเป็นสลาณะแล้วนี้จะทําให้ไม่ยากจนถ้ารวยแล้วก็รวยไปตลอดถ้ามียศมีตําแหน่งแล้วก็จะสูงไปตลอดไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มาปกป้องความเสื่อมทางลาบยศสารเสริญสุงไม่ได้เกี่ยวกันคนละเรื่องกันป้องกันความเสื่อมทางด้านจิตใจได้แน่นอนตอนนี้เป็นมนุษย์ ถ้ามีพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วเชื่อฟังคำสั่งคาสอนแล้วไม่ทำตามแลก็ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนแล้วรับประกันได้ว่าจิตใจจะไม่ตกไปสู่ภัยของจิตใจภัยของจิตใจก็คืออบายต่างๆนี่การต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสุลกายเป็นสัตว์นรกนี้เป็นภัยของจิตใจที่ป้องกันได้ ด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงด้วยการไม่เสพอบายยมุกต่างๆอันนี้คือสาระทางใจไม่ไม่ใช่สาระทางร่างกายหรือทางลาบยศสารเสรินสุขร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือร่างกายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ใจนี้ถ้ามี สารณะแล้วจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมทางลาบยศสรรเสรินสุขจะไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมทางร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่จะไม่เดือดร้อนเลยจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเรื่องฝนตกแดดออกนะี่มันเป็นเรื่องปกติฉันใดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทางร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องปกติสาหรับจิตใจ ที่มีสลรณะที่พึ่งทางใจนั่นเองนี่คือความหมายของสารณะที่พึ่งทางใจอย่าเข้าใจผิดว่าถ้ามีที่พึ่งทางทางใจคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะปลอดภยัยจะไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นที่พึ่งคนละชนิดกัน ที่พึ่งทางราบยศสารเสวนสุขนี้มีมีที่พึ่งอันเดียวเท่านั้นอะที่จะทําให้ไม่เสื่อมจากราบยศสารเสวนสุขไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือการไม่มาเกิดเท่านั้นเองและการไม่มาเกิดได้ก็ต้องมีที่พึ่งทางใจถึงจะไม่มาเกิดได้เหตนั้นถ้าเราทำทำเราสร้างที่พึ่งทางใจได้เราก็จะได้ที่พึ่งทางราบยศสารเสริญสุขทางร่างกายพร้อมกันไปหมดเพราะว่าผู้ที่ ได้ที่พึ่งทางใจอย่างสมบูรณ์เช่นพระพุทธเจ้าและผ้าหลันตถาโลกแล้วนี้ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปทุกย่งไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายมีการเสื่อมทางลาบยศสารเสริรญสุขอยู่เสมอไปเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้โลกของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา มันเป็นความเสื่อมนี้มันเป็นเหมือนเงาที่มากับความเจริญร่างกายเรานี่เดินไปไหนมันจะมีความเสื่อมตามเราไปมีเงาตามเราไปฉันใดความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขก็มีเงาตามมาคือความเสื่อมเจริญราบแล้ววันใดวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมลาบเจริญยศแล้ววันใดวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมยศเจริญทางด้านสารสารเสื่อวันใดวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมเจริญแบบ จากสรรเสริญ ก, ก็กลายเป็นนินทาได้จเจริญทางด้านความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายวันหนึ่งก็เสื่อมหมดได้ความเสื่อมหมดไปความสุขหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เสื่อมไม่อยากจะให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็อยากกลับมาเกิดและการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติมงคลสามสบปดข้อนี้ ให้ถึงขั้นสูงสุดให้ได้นั่นเองเพราะเมื่อจิตได้ปฏิบัติถึงขั้นพระนิพพานแล้วจิตก็จะกําจัดเหตุที่พาให้จิตนี้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจนี้นั่นเองพอไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาฉุดร่างให้จิตไปมีร่างกายต่อไป เมื่อไม่มีร่างกายก็จะไม่ต้องไปหาราบยศสารเสริญเมื่อหาราบยศสารเสิญเมื่อไม่หาราบยศสรรเสริญมันก็จะไม่มีความเสือ่อมทางรากยศสารเสรินเมื่อไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมานี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถก็ทำได้ถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจ และที่พึ่งทางใจนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจาให้ถูกว่าพึ่งอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งในทางด้านการให้วิชาความรู้กับเราการให้ธรรมะกับเราความรู้ที่จะพาให้เรานี้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนี้เอง ก็คือเป็นผู้ให้ความรู้เรียกว่าเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาของโลกรู้กัวิทูพุทเจ้าเป็นผู้รู้โลกรู้ว่าโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรรู้ว่าโลกของลาบยศสารสสุขนี้เสือเ่อมเพราะอะไรนี่คือโลกกัลวิทูรู้ทันโลก พระพุทธเจ้ากับพระหลานนี้ถึงแม้เวลาที่ท่านยังไม่ตายถึงแม้ท่านยังสัมผัสกับราบยศสรรเสริญสุขอยู่ท่มีคนถวายราบปัจจัยมีคนยกย่องมอบเกียรติบาติเกียรติคุณอะไรต่างๆให้มีคนสรรเสริญมีคนกราบว่า้ดูชาแต่ใจของท่านนี้ไม่ได้มีความรู้สึกยินดีร้ยายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะท่านรู้ภัยของมัน ถ้าไปยินดีปั๊บเดี๋ยวมันจะต้องมันจะยึดติดทันทีเมื่อยึดติดแล้วมันก็จะทุกเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันเสื่อมไปถ้ารู้ฤทธ์ของความยึดติดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะว่าท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกต่่างงททุุกกสิอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของถาวรถ้าไปยึดไปติดมันแล้วเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปนี้ จะเกิดความทุกข์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นจิตใจของพระพุทธเจ้ากับพระหลานทุกพระ อ, องค์นี้จะไม่ยึดติดกับลาบยศสรรสริญสุขจะไม่ยึดติดกับร่างกายเพราะฉะนั<ม>้นเมื่อไม่ยึดติดเวลามันเสื่อมเวลามันหมดใจของท่านก็ไม่ทุกข์ใจของท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญาว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของไตรลักษ โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คาหมายของคาว่าโลกาวิทูพระพุทธเจ้าเป็นโลกาวิทูเป็นผู้รู้ทันโลกรู้ว่าโลกนี้ว่าเป็นโลกของตายักอนิจจังทุกขังอนาตาัตต่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยินดีกับความเจริญของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันจะทาให้ทุกข์เพราะว่ามันจะ ครอบคร อ, องไว้ได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นพอถึงวันที่จะต้องจากกันวันนั้นก็จะกลายเป็นวันมหาวิปโยคไปอันนี้คือความหมายของโลกวิถุเราพวกเราโชคดีที่นานๆจะมีโลกวิถุมาปรากฏในโลกนี้สักครั้งถ้าไม่มีพระพุทธเจา้านี้จะไม่มีใครมาสอนว่าอย่าไปหาราบยศสารเสริญสุกนะันามันจะทำให้เราทุกข์นะ ไม่มีใครสอนหรอกมีแต่สอนให้ไปหาทั้งนั้นนะพ่อแม่ของเราครูโรงเรียนของเรานี่สอนเหมือนกันหมดเลยสอนให้เรียนเก่งๆมีความรู้นะเดีย๋ยวจะได้ไปหาเงินหาทองได้ไปหาตําแหน่งไปหายศไปหาอะไรต่างๆได้จะมีความสุขมากทุกคนเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นแปลกนะ ท, ทั้งทั้งที่เวลามันเสื่อมเวลามันร้องหง่มร้องไห้กันกับมองไม่เห็นว่ามันมันเกิดจากอะไรกัน เพราะความโง่ความเพราะความมืดบอดที่เรียกว่าโมหะอาวิชามันเป็นเหมือนม่านกัน้นไม่ให้ตาไม่ให้ใจเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกม่านนี้มันจะเป็นเหมือนฉากที่มันจะมาหลอกให้เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกที่สวยงามใช่ ไ, ไหมบางทีเวลาจัดงานศพนี่บางทีตั้งศพไว้แล้วเอาฉากมากั้นไว้เพื่อไม่ให้เห็นลงศพ <Yeah. S 1> จะได้คิดว่าโอย สวยงามนะฉากนี้สวยมีเครื่องประดับประดาอะไรต่างแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังฉากนี้เขาซ่อนอะไรไว้เพราะมันมีฉากบางังสาเหตุที่ปุถุชนอย่างพวกเรานี้มองไม่เห็นไตรลักษ์ในราบยศสารเสริญกันก็เพราะว่าเราไม่มีไม่เรามีฉากคือโมหะอวิชชาปิดกั้นใจของเราไว้ทำให้เราเห็นกับตาลปัดไปโมหะคือความหลง เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้เที่ยงกันก็หากันเห็นว่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นสุขกันก็เข้าหากันเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของธรรมชาติ เราอยู่ในโลกของธรรมชาติกันทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติหมดต้นไม้นอกจากร่างกายราบยศะะเสริญสุขแล้วพวกต้นไม้ใบหญ้าภูเขาลาธารฟ้าทะเลอะไรนี้ก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นไม่ได้แยกออกจากกันเลยพวกเรามาแยากกันออกเองว่าราบยศะะเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นของที่เราสามารถครอบครองและสั่งบัญชาได้ให ให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเนี่ยคือความหลงมันทําให้เรามองไม่เห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองต่างๆก็ดีาดะลาภยศสารเสริญสุขทั้งหลายก็ดีว่าเป็นสุขขั้งว่างเป็นอนิจจังสุขขังอัตตาคือเป็นของถาวรเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของที่จะเป็นของเราไปตลอดอันนี้แหละคือม่านบังตา คือโมหะอวิชชาที่มันติดกั้นจิตใจของเราไม่ให้เห็นอนิจจังทุกขังของนัตตากันเราก็เลยติดกับลาบยศสารเสริญสุขกันติดกับร่างกายกันแล้วพอลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมร่างกายเสื่อมก็เกิดความทุกข์กันขึ้นมาทันทีเพราะเราเมื่อเราไปยินดีกับเขาแล้วเราก็เสียดายเขาละเรารักเราหวงเขาละเราไม่อยากให้เขาเสื่อมเราไม่อยากให้เขาจากเราไป แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่มาเกิดเลยว่าเออร่างกายนี้มันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะราบยศสรรเสริญที่เราหากันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันนะมันจะได้ทําให้เรารมัดระวังไม่ไปยึดไปติดถึงแม้ถ้าจําเป็นต้องมีก็มีเท่าที่จําเป็นมีเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะเลี้ยงร่างกายนี้ไปตลอดอนันตการได้ แลรู้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแต่ถ้าคนแบบนี้มาเกิดก็ไม่เขาก็าไม่มาเกิดแล้วถ้าเขารู้มันเป็นอย่างนี้เขาไม่มาเกิดให้เสียเวลาดงนั้นคนที่มาเกิดทุกคนนี้จึงยังมี ม, าม่านบางตาอยู่มีม่านหลอกตาคือโมหะอวิชานี่ที่หลอกให้เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของอิจังสุขขังตาควรที่จะหาความสุขการให้มากๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่พอหาไปหาไปเบื้องต้นก็เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาแต่ต่อไปมันก็เริ่มมีการเสื่อมลงเสื่อมลงมีการสูญเสียมีการพัดพรากจากกันคนที่เราเคยรักเคยชอบอยู่ดีวันดีเขาก็จากเราไปเนคนที่เขาสูงอายุกว่าเราเช่นบิดามารดาปูญาตายายเขาที่เรามีความสุขเวลาได้อยู่กับเขาแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องน้มตายไปจากไป ก็เกเริ่มเห็นความไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาความไม่เที่ยงมาสอนใจให้หยุดให้เลิกยดยดเลิกติดกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าอำนาจของความอยากมั น, ม, นมันติดซะแล้วมันเหมือนติดยาเสพติดซะแล้วพอติดลาบยศสรรเสริญติดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพีติดร่างกายนี้แล้วมันยากที่จะทำให้เลิกได้ เป็นคนที่ ต, ติดสุรานี่ติดแล้วรู้ว่าสุราเป็นพิษเป็นภัยดื่มไปมากๆแล้วจะต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายสภาพจิตใจก็ย่แย่ความเป็นคนที่มี ม, มีเกียรติก็หายไปเสพสุราแล้วกลายเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งไม่มีสติสตังไม่มีใครเขาอยากจะเข้าใกล้ไม่มีใครเขาอยากจะให้ความเคารพ รู้ก็รู้อยู่ว่าเสพแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอถึงเวลามันอยากดื่มขึ้นมามีมือไม้สั่นหมดที่มือไม้สั่นเพราะใจมันสั่นใจมันสั่นใจมันอยากจะเสพต่กระทั่งมันควบคุมจิตใจให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้ทรมานมันก็เลยต้องดื่มทั้งทั้งที่ไม่อยากจะดื่มทั้งๆที่รู้เพราะไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดมันว่าจะทํำยังไงไม่มีเครื่องมือ แต่ถ้าได้พบกับอาจารย์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ท่านจะสอนให้เราสร้างเครื่องมือขึ้นมาคือธรรมที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติกันปฏิบัติธรรมสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีเครื่องมือแล้วการจะเลิกการเสพการติดกับรูปเสียงกลิ่นรสติดราบรสสารสนสุกนี้มันง่ายเหลือเกินเหมือนกับเวลาที่รถยางแตกนี่ ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้เปลี่ยนยางไม่ไดนะ้ถ้าไม่มีแม่แรงที่จะยกะยางให้ลอยขึ้นไม่มีตัวขันนอ็อตให้คลายน็อตที่ติดกับล้ออยู่ยไม่มีทางจาวมือเปล่าๆนี้ไปยกไปยกน็ตขึ้นไปถอดยางออกได้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็ไม่ใช่เป็นเครื่องวิเศษวิสุอะไรแม่แรงก็เป็นแค่เหล็กอันหนึ่งชิ้นหนึ่งที่เราสามารถ เอาไปใต้ไว้เด็กเก็บน็อตแล้วก็ทํายกให้ล้อมันลอยขึ้นมาได้แล้วก็มีที่ขันคลายน็อตทั้งอันหนึ่งก็สามารถถอดยางออกเอายางใหม่ใส่เข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันนะเราต้องมาสร้างเครื่องมือกันสร้างเครื่องมือที่จะทําให้เรานี้ยเลิกเสพลาบยศวยสารสริญสุข เลิ่เด็ดกับร่างกายเิเ ล, p, เลิกเสพร่างกายได้ด้วยการเข้าหาบันดิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้เราสร้างเครื่องมือซึ่งแบ่งเป็นสามขั้นใหญ่ๆขั้นที่หนึ่งก็ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบรยสุดด้วยการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติก็คือการสร้างเครื่องมือนี่แหละที่ถ้าเราได้ปฏิบัติทาแล้วใจของเรานี้จะมีความเข้มแข็งที่จะมีกำลังสู้กับความยากต่างๆได้จนในที่สุดความยากต่างๆมันก็จะหมดสิ้นไปจากใจใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือ มงคลของชีวิตที่พวกเราจะพึงได้รับกันจากการที่เรามีวันพระกันอาทิตย์หนึ่งก็เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเรียนรู้ธรรมะแต่ละข้อทีละนิดเทียหน่อยศึกษาไปแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติทียะไเล็กเทียน้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นเองพอเริ่มพอเริ่มเห็นผลแล้วมันก็จะเกิดความโลปทางธรรมได้ความรูปทางธรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นภัยกลับเป็นสิ่งที่ดี ได้สมาธิคืบหนึ่งก็อยากจะได้เป็นศอกได้สมาธิเป็นว า, านี่ไม่เป็นไรเพราะยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งทําให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นจิตใจมีความทุกข์น้อยลงและเป็นความความเสพที่ไม่มีพิษมีภัยแต่ไม่ได้ทําให้ใจมือไม้ใจกวนกวายมือไม้สั่นเพียงแต่ว่าทําให้อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นอยากให้มีความสุขมากขึ้นทั้งนัง <S <S ้นนี่ว่าเป็นการกระตุ้นเจะได้ซ้ําไป เป็นการกระตุ้นให้ปฏิบัติให้ถึงความสุขขั้นสูงสุดพอถึงความสุขขั้นสูงสุดแล้วความอยากจะมีความสุขอีกไม่มีแล้วหมดไปไม่มีความอยากได้แม้แต่ความสุขในใจก็ไม่อยากได้แต่เนื่องจากความไม่อยากได้นี่เองมันยึงทำให้ความสุขในใจนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสึ้นสุดอันนีงเรียกว่านิบานังปรมังสุขถังนี่แหละคือมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวามีวอิตโตทินังเปตานังอุปกปติปิชิตังปัจฉิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยะธามะนิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีดิสานิจังวุฒาปจายีโน จัตตารธรมวทานติอายุวันโสุขังภาลัฮัลโหลช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม <c oughs> เชิญถามได้ในช่วงนี้ <c oughs> ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามหรือจะคุยกัน เพราะมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่อเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรพูดอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะพูดถามเองก็มาที่ข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดได้ถามถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนเขียนข้อความใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้หรือจะถ้ามีเครื่องมือถือก็ส่งข้อความผ่านทางเฟซหรือ u t ท b e ก็ได้ เราจะมี <c oughs> ทีมงานนำมามาอ่าน <c oughs> วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามา590 YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์218 YouTube ดกร90วิทยุออนไลน์5 Club House 9ผู้รับฟังข้างหน้ากุฏิ79คนรวมทั้งหมด เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดครับ ม, มีคนอยากจะถามคมถามมานนมส ก, การท่านอาจารย์อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเจริญมรณะสติทำสั้นๆได้อย่างไรสำหรับคำวา่าสั้นๆก็ทั้งคำว่าตายสั้นที่สุดแล้วคือความตายแต่ท่องบ่อยๆ อ, อย่าลืมใช้แทนพุทธโธได้ ตายตายตายตายหรือหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายให้เราไม่ให้ลืมตัวเองเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายต้องเตรียมตัวตายกันเพราะเรามักจะลืมตายกันงั้นเราก็คอยเตือนว่าเราต้องตายนะเราต้องตายถึงขึ้นมาสิ่งแรกก็เตือนสอนใจก่อนแนละ้วอันนี้ไม่รู้จะเป็นวันตายของเราหรือเปล่านะ ยังตัวตายนะเพราไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเตือนไปเรื่อยๆทั้งวันถ้าเตือนแค่ช่วงเช้าเดี๋ยวพอไปทำอะไรมันก็ลืมต้องพยายามหมั่นเตือนอยู่นี่ได้ได้สติเมื่อไหร่ก็เตือนเมื่อนั้นตือนได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะเป็นเหมือนยาแก้ความหลงแก้ความหลงที่จะไปคิดว่านั่งกายเราจะไม่ตายานั่งกายเราจะอยู่ตลอดไปคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เราไม่ประมาทเราจะได้รีบทําสิ่งที่เราควรจะกระทำเลยเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับความร่างกายของเราถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุบ ก, กับมันนะะอาจารย์นะมันสั้นแต่ต้องบ่อยคือไม่ใช่เอาแค่แป๊บเดียวแล้วก็วันเพงแค่ครั้งเดียวอย่างนี้ไม่พอพระเจ้าบอกว่า พระพุทธเจ้าถามพระอนนุนว่าอานุนวันหนึ่นเงเธอระลึกถึงความตายกี่ครั้ง อ, อนนุนบอกก็ประมาณสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนหลังจากตื่นขึ้นมาพุทธเจ้าบอกไม่พอหรอเธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทําให้เธอไม่ประมาทก็คือให้ระลึกถึงความตายทุกครั้งที่เธอหายใจออกกอคิดว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะทําให้ไม่ประมาทจะได้ทําให้เราไม่หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะได้ไม่เครียดกับมันทุกวันนี้เครียดกับของต่างๆว่าคิดว่าจะอยู่กับมันไปเตลอดไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดเดี๋ยวหามาถ้าเป็นท่าพายเดี๋ยวตายไปกลายเป็นของคนอื่นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมหาเศรษฐีมีแสนล้านตายไปเอาไปได้แบบแม้แต่บาทเดียว อาจาร ย, ย์ไ okay. หมโอเคาีอะไรไหมผมเรียนถามท่านอาจารย์พอดีถามถึงเรื่องพูดถึงเรื่องโสดาบันถ้าเกิดอยากจะปิดอาภัยเนี่ยเพื่อจะมารูา้โสดาบันเนี่ยถ้าเกิดปรารถนาให้ได้จะต้องทํำยังไงพ่ออาจารยต้อ ง, องรรต้องอะไรนะต้องทำยังไงครับต้องอะไรนะต้องทําอย่างไร เราก็ต้องลากการติดยึดติดในร่างกายนี้ให้ได้ให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของช是是ั debris, ่วคาเมื่อเราไม่ย so ึดติดเราก็จะไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อรักษาไม่ต้องไปทำบาเพื่อรักษาร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายใครจจะใครอยากจะฆ่าก็ปล่อยเขาฆ่าเลยก็ไม่ไปทำบาไม่ไปทำบาวก็ไม่ไปไปตกกบายนี่เราทำบาปกันเพราะเรารักตัวกลัวตายกัน รักษาชีวิตกันทำมาหากินเพื่อรักเลี้ยงปากเลี้ยงคอบางทีก็ต้องไปรักขโมยไปชอบไปโกงอะไรต่างแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องตายมันไปไปชอบโกงให้มันมีมันขาดทุนทำไมต้องไปใช้กรรมแนบาปทำไมนะมันถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปตามธรรมชาติเองมัไม่ต้องไปทํำบาดเพื่อรักษามันเข้าใจไหม ต้อง เ, เห็นว่ามันต้องตายเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะถึงเวลามันจะตายก็ฝันจะตายไปแต่จะไม่ไปฆ่าคนอื่นเพื่อเอาลับเอาายเข้ามามามาเปลี่ยนมาซ่อมของเราแน่ๆนี่บาปอ่ามีใครอ่ามีท่านี้ใช่ั้ยครับโอเคอ่องั้นก็ ท่านที่เพิ่งมาเชิญ น, นั่งก่อนนะตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังสนทนาธรรมกันอยู่เดี๋ยวสักครู่มันก็จะเสร็จแล้วก็จะมีธุระอะไรก็ค่อยเข้ามาว่ากันอีกทีเชิญ ก, การนมัสการพระอาจารย์ค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะคือในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็จะมีะโยมจะขออนุญาตถามคําถา ม, ถามคือมีคนป่วยติดเตียงที่ติดโควิดแล้วญาติไม่พาไปรักษาก็คือ ดูอาการที่บ้านให้ทานยาไปนะคะแล้วต่อมาคนป่วยก็เสียชีวิตอะคะ่ะถ้าแบบนี้จะเป็นบาปกับญาติไหมคะแล้วกอ็อย่างตัวหนูเองรับทราบเรื่องนี้เราก็จะบาปด้วยไหมคะเราควรจะวางใจก็อยู่ที่ว่าการกระทํานั้นเป็ น, ปนการกระทําที่หมอเขาแนะนําให้ทําหรือเปล่าถ้าทําตามที่เขาแนะนําว่าให้รักษาที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาล ก็ไม่ไม่ผิดตรงไหนหรือถ้าหมอบอกให้เอาไปรักษาโรงพยาบาลแล้วไม่เอาไปรักษามันก็มันก็ไม่บาปนั่นงแต่ว่ามันไม่มีความเมตตาแต่ไม่บาสไม่ได้ไปทาไําให้เขาตายเขาตายเองเขาตายจากโรคเราไม่ไปช่วยให้ไปรักษาเขาท่านนี้ก็ยังไม่บาปถ้าไปาว่ามันเป็นโควิดเดี๋ยวมันจะเอาเชื้อมาแพร่ก็เอาอะไรไปอุดจมูกใช่ไอย่างนี้บาป แต่ถ้าปล่อยให้เขาตายไปตามสภาพของทอมไม่บาแต่อาจจะขาดความเมตตาที่ไม่ดูแลไม่ดูแลรักษาเขาถ้าถ้าเราถ้าเราทําได้แต่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ก็ต้องทําไปตามที่หมอสั่งหมอบอกให้กินอยู่บ้านกินยาก็กินไปรนี่คนบางคนมันภูมิต้านทานมันไม่เท่ากันบางคนต้านไม่ไหวก็ตายอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเวาราสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ว่าใครก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเจอวันเจอความตายกันด้วกันทุกคนแต่เราไม่บาปแล้วเร า, เราคนที่อยู่ใกล้เคียงคนข้างบ้านเขาไม่รู้อีหน่อยอีหน่อยเขาก็ไม่บาปถาคนตายในบ้านถ้าเราไม่มีการกระทำอะไรที่ไปทำให้เขาตายคือคือญาติเขาตัดสินใจที่จะไม่พาไปโรงพยาบาลนะคะ แล้วคือเรารู้จักกับคนป่วยเราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ <คน S 2> ต้องแล้ว<ป>แต่ยากเขาแล้วคนป่วยเขาว่าอย่างไรคนป่วยเขาอยากจะไปหรือเปล่าคนป่วยเขาเ อ, อสติไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะ ก, ก็ก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาว่าแล้วกันไปนจจะคนดูแลที่อาจจะตัดสินใจไม่ถูกก็ได้หรืออาจจะตายที่โรงพยาบาลก็ได้ไม่มีใครรู้ นี่นก็เป็นเรื่องที่มันไม่บากคนละกันพูดง่ายๆก็เป็น <c oughs> เป็นกรรมของเขาเองอเขาอาจจะหมุนบุญไม่มีบุญอจจะไรที่มาช่วยเขาได้แต่เขามีบุญอาจจะมีใครมาพาไปรักษาก็ได้แต่เขาก็ต้องมาคนทุกข์ทรมานป่วยติดเตียงอีกเหมือนเดิม <c oughs> ก็อันนั้นก็แล้วแต่เรื่องของกรรมของแต่ละคนทำกรรมมันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คำถามจากทางบ้านคุณมาลัยนั่งสมาธิจนจิตรวมแล้วในจิตก็มีแต่พุโทโธพอออกจากสมาธิกิเลสก็เกิดขึ้นก็ดูมันเกิดขึ้นโดยให้จิตอยู่กับพุโทโธและให้กิเลสดับลงไปเองพอกิเลสดับลงจิตก็สงบบางทีก็ใช้เวลานานมากกว่าจะดับลง และสลับกับการนั่งสมาธิครับวนเวียนอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงเฝ้าดูจิตของตัวเองตลอดนอกจากตอนหลับเท่านั้นขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมครับก็ถูกต้องแล้วละ่ะอย่าปล่อยให้กิเลสมันฉุดลากเราไปทำอะไรต่างๆเวลามันปรากฏขึ้นมาก็ใช้สติใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธคอยหยุดมันไว้พอทุกครั้งที่มันจะโผล่ขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธ สติก็เป็นเหมือนยาพอเริ่มเกิดมีอาการไข้ขึ้นมาก็กินยาไทลาโนนไปกินยาแก้ปวดไปพอกินยาปวดแก้ปวดไปอาการก็หายไปพอมันเพิ่เริ่มปวดใหม่ก็กินใหม่พอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปพอกิเลสหายไปจิตสงบก็หยุดพุดโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่จนกว่าจะไปถึงขั้นปัญญาได้ถ้าขั้นปัญญาก็พิจารณา สอนว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็จะเสียใจทุกข์ใจอย่าไปทำตามกิเลสดีกว่าให้คิดอย่างนี้ไปคาถามจากคุณรุง้งวันนี้มาทำงานพร้อมกับถือสินแปดไปด้วยครับสามารถนั่งเก้าอี้ที่มีนวมหรือนั่งบนที่นั่งนุ่มๆได้ไหมครับ ได้แต่มันก็อาจจะถ้าปฏิบัติมันก็อาจจะไม่ดีเท่ากับนั่งบนที่นั่งแข็งๆเพราะมันจะมีสติดีกว่าถ้านั่งที่นุ่มๆ ม, มันสบายมันจะเคลิ่มง่ายกว่าคำถามจากผู้ฝากถามช่วงนี้จิตตกมากเลยครับไม่มีสมาธิ ในการสวดมนต์และการนั่งสมาธิเหมือนแต่ก่อนเลยครับต้องทาอย่างไรครับต้องพยายามสวดใช่ไหมขี้เกียจสวดมันก็เลยไม่มีสมาธิต้องบังคับมันลืมตาขึ้นมาก่อนนอนก็สวดก่อนพอตื่นขึ้นมาก็สวดก่อนแล้วพยายามสวดไปทั้งวันถ้ามีเพราะเราสวดในใจได้ถ้าสวดในใจนี้เราสามารถสวดได้ทุกแห่งทุกคนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็สวดไปในใจ คำถามจากคุณวัสนาเวทนาที่เกิดในตอนที่นั่งสมาธิจะมีวันไม่เกิดขึ้นไหมครับหรือจะมาเป็นระยะระยะครับไม่วันตายถ้าวันตายแล้วไม่มีเวทนาแน่นอนแต่ถ้ายังมีมชีวิตอยู่นี่ร่างกายมันก็จะต้องแสดงการเจ็บปวดไปตามธรรมชาติของมันแต่เราสามารถอยู่กับมันได้เราฝึกจิตให้ปล่อยวางได้ให ให้รับกับความเจ็บได้ถ้าใจเราเป็นอุเบกขาถ้าใจเรานิ่งถ้าเราฝึกสติใจเราก็จะนิ่งจะเป็นอุเบกขาแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้คําถามจากผู้ฝากถามเวลาที่เรานั่งสมาธิกําหนดดูลมหายใจเข้าออกแต่ขณะเดียวกันจิตของเราก็สามารถไปคิด โน้นคิดนี้สารพัดเรื่องที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดครับและเราควรตามดูจิตแบบใดถึงจะถูกต้องครับเพราะเราไม่อยู่กับลมตลอดเวลา<ฮ>ถ้าเราอยู่กับลมตลอดเวลาเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ส<ฮ>ังเกตดูสิพอเราคิดปั๊บนี่เราไม่ได้อยู่กับลมนะ<ฮ>ไปอยู่กับความคิดแทนงั้นอย่าไปตามความคิดให้ให้ดูลมต่อไปให้รู้ว่ามันความคิดเกิดแล้วเราก็กลับมาที่ลม พอความคิดเกิดขึ้นล้วก็กลับมาที่ลมอย่าไปสนใจความคิดถ้าเราอยู่กับลมก่อติดกับลมไปได้เรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะอยู่เองคำถามจากคุณ Y11 ผมดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงหาข้าวปลาอาหารและอาบน้าให้ถ้าเทียบกับการปฏิบัติธรรมช่วงที่ดูแลพ่อปฏิบัติธรรมได้น้อยกว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับกับการปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืน อ, อ๋อมันการปฏิบัติธรรมมันน่อมมากกว่าการดูทำทำทานการการดูแลบุคคลผู้ก็เหมือนอยู่ในระดับทานแต่ถ้าเรายังไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็ต้องทําในระดับทานไปก่อนคําถามจากคุณชีรารัตน์การปฏิบัติตามแนวทางมรรคแปดทำได้โดยไม่ทําสมาธิได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกไม่ได้งั้นจะมีสมาธิไว้ในมรรคแปดทำไ ม, 9, มก็มรรคเจดก็พออย่างนัอนคาถามต่อไปจากคุณชัดในชาตินี้ได้เจอครูบาอาจารย์สอนแนวทางไปนิพพานลุยปฏิบัติไปให้ได้เอานิพพานในชาตินี้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องรอชาติหน้าผมคิดถูกไหมครับก็ก็ถูกชาติหน้าอาจจะไม่มีครูอาจารย์มาสอนเราก็ได้ เยนชาตินี่มีครูอาจารย์รีบเอาช่วยโอกาสนะน้ําขึ้นให้รีบตักโบราณฉันพูดว่านะเดี๋ยวน้ําหมดเราจะไปตักน้ําที่ไหนถอามีน้ําก็ไปขี้เกียจตักกันพอน้ําหมดแล้วจะมาขยันตักน้ําแล้วก็มาบ่นไม่มีน้ําให้ตักนะมันไม่ได้เรื่องนะให้รีบช่วยโอกาสเลตอนนี้รีบทําให้มากให้ให้ให้เร็วที่สุดทําให้มากถ้าทํามากมันก็จะเสร็จเร็วทําน้อยมันก็จะเสร็จชา้า <c oughs> มันแหละยังมีครับคําถามจากคุณกอบเกียรติอยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงการพิจารณาวิธีการละสังโยชน์เบื้องสูงครับเอาสังโยชน์เบื้องต่ําก่อนนะเบื้องเบื้องต่ํายังไม่ได้นะอย่าว่าแต่เบื้องต่ำนะเอาแค่สังโยชน์ข้อศีลให้ได้ก่อนนะเลิกเลิกดื่มสุราให้ได้ก่อนเลิกก บ, บายยมุขให้ได้ก่อนเลิกเที่ยวบาเที่ยวผับเลิกเล่นการมา น, านันแทงหวยอะไรพวกนี้ให้ได้ก่อน เราค่อยไปกังวลกับเรื่องสังโยชน์เรื่องสูงเพราะรู้ไปตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> คำถามจากคุณจรัญญาเมื่อเช้านี้โยมพิจารณาเห็นว่า เราอาบน้ำขัดถูขี้ใครร่างกายสกปรกนี้เราก็ไปกินข้าวเพื่อชะลอการเสื่อมของร่างกายแล้วก็ไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีวิตแต่ร่างกายนี้ก็ไม่หยุดความเสื่อมไม่เห็นประโยชน์อะไรจึงอยากอยู่แบบสันโดษครับ กินพอประมาณนุ่งห่มแบบเท่าที่จำเป็นพยายามใช้เงินมาบำรุงบำเรีชีวิตให้น้อยที่สุดเพราะว่าเปลืองไปเปล่ า, าแบบนี้ถือว่าคิดถูกต้องหรือไม่ครับก็ถูกครึ่งเดียวต้องเอาเวลาที่ไม่ได้ไปบำรุงร่างกายนี้มา บ, บ, บ, บ, บ, บำรุงจิตใจแทนจิตใจต้องการรับการบำรุงอยู่มาทำจิตใจให้เป็นนิพานขึ้นมาให้ได้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับเมื่ออายุมากขึ้นความจำเริ่มเสื่อมลงนึกอะไรไม่ค่อยออกจะมีทางแก้ไขอย่างไรครับก็ฝึกสติให้มากๆทำอะไรให้มีสติก็จะไม่ค่อยลืมที่ลืมเพราะไม่ค่อยมีสติกันหมดแล้วเลยนะคนที่มีสตินี้มักจะไม่คีดหลงขี้ลืมูกูบาอาจารย์ท่านอายุร้อยปีท่านก็ยังจำอะไรได้ เพราะท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ยังสั่งสอนธรรมะได้เหมือนตอนที่ท่านเป็นหนุ่ม mm hmm. เพราะว่าจิตใจของท่านมีสติไม่เผลอเังน mm ั hmm. ้นฝึกสติแล้วครับจะไม่เป็นโลกอาลซัมอ mm ์จ hmm. ะไม่เป็นโลกที่หลงที่ลืม mm hmm. ไม่มีคำถามแล้วใช่ไ้ยมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ทุกๆใกล mm hmm. ด้ดังๆ านามัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับนรกกับสวรรค์นี่มีจริงไหมครับอะไรนะนรกกับสวรรค์นี่มีจริงไหมมาโนทจบอะไรนะนรกกับสวรรค์นะครับนกรกกับสวรรครร์ครับผมมีจริงนรกก็คือความทุกข์ใจสวรรค์ก็คือความสุขใจไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นสภาพของจิตใจเราเวลาร่างกายตายไป ใ, ใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์ จากบุญหรือบาปที่เราทำกันถ้าใจมีบุญมากใจก็จะสุขมากใจสุขมากเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าใจชุกมากก็นรกชั้นต่างๆมันไม่ได้เป็นที่เหมือนกับเดือนจำคองเปเมื่อไรอย่างี้มันมันอยู่ในใจของเราเกิดจากบาปห้ืบุญที่เราทำกันขณะนี้เราก็มีนรกสวรรค์ในใจแต่เป็นแบบชั่วคราวพอเราเจอนรกเราก็หนีมันไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวกัน มันก็ไปกบนาลกไว้ชั่วข่าวเดี๋ยวพอที่สิ่งที่เรามากบหมดไปนาลกมันก็โผล่กลับขึ้นมามา่ย้งวิธีที่จะแก้ถูกต้องก็คือต้องทำบุญทำบุญเยอะๆยิ่งทำเวลาทำบุญแต่ละครั้งมันจะทำให้ใจเรามีความสุขความทุกข์ที่มีในใจก็อาจจะถูกความสุขของบุญนี้กบเอาไว้ก่อนได้ <c oughs> ส่งคานะ มีอะไรมำเท้าเลยทางสบายคำถามจากคุณอารีรัตเวลาที่นั่งสมาธิมีวิธีไหนที่จะไม่ให้ง่วงครับเดินสิถ้ามันนั่งมันง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้ามันเดินยังง่วงอยู่ก็ต้องผ่อนอาหารนะกินมากเกินไปกินมากมันก็ง่วงหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเดินไปนั่งในป่าช้าไปอยู่ที่มันน่านากลัว พอเกิดความกลัวขึ้นมาควา ม, มว่วง่มันหนีไม่หมดเลยต่อไปคำถามจากคุณเอกชัยสมถาาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไรครับสมาถะเป็นการพักผ่อนจิตใจเป็นการเตริมอาหารเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเครื่องเครื่องมันมีแบตใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จให้มันเต็มร้อยพอเต็ม้อยแล้วก็ไปเปิดใช้ การที่เราพักผ่อนเข้าสมาธิก็เป็นการชาร์ตกาลังให้กับจิตใจพ อ, อจิตใจมีพลังออกมาก็สามารถมาทํางานวิปัสสนาเพื่อมาศึกษาความเป็นจริงของความเป็นของธรรมชาติทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษณ์คอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนไปสักระยะหนึ่งมันก็หมดกาลังมันมันเหนื่อยมันก็หยุดแล้วก็กลับมาเข้าสมถะใหม่สลับกันเหมือนกับร่างกาย ร่างกายเราก็ต้องมาพักผ่อนหลับนอนพอเราตื่นขึ้นมามีกําลังวังชาเราก็ไปทํางานกันทำงานพอตกเย็นก็เหนื่อยก็กลับบ้า น, นมาพักผ่อนหลับนอนกันธรรมะถากวิปัสสนาก็ทําหน้าที่แบบนี้ธรรมะให้กำลังให้กําลังแก่ใจวิปัสสนาสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงเท่านั้นเองนี่คือธรรมะถากวิปัสสนาต่างกันไม่ได้ทําพร้อมกันต้องแยกกันทํา เวลาทำสมถะเวลาทำสมาธิไม่ให้เจริญปัญญาไม่ไมพิจารณาวิปัสสนาพอออกจากสมาธิมาแนละ้วนี่ให้พิจารณาวิปัสสนาตลอดเวลาได้อยู่คาถามจากคุณบังมีชาวต่างชาติถามโยมว่าหัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรโยมได้ตอบเขาไปว่ามีอยู่สี่อย่างคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยากทราบว่าโยมตอบเขาไปมันถูกต้องหรือไม่ครับ มันก็หัวใจของศาสนาหัวใจของคำสอนก็คือพระอริยสัจสี่อันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องต้องเป็นอริยสัจสี่หมดแล้วโอเคหมดแล้วก็ท่านนี้นะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ